พระธรรมเทศนาจากดอกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแป้คำต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงเรียบเรียงคัดเกลี่สมนุนใหม่โดยปออินสมชัยชมพูปเปรียนทำฮุกประโยคนักทาเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงาย โมอาตสาภะกวาตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสตติญติวะเสสัมปเตโยโกติปุกกาโลอาหังจานาบิติวัตวานาหูสีติ สาธวดุราสาปุริตาตั้งลายผูคานิงไมายไข่ภาคคือปนตุกยากเรื่องกาคือตุกน า, นาต่างๆในโลกวางโลกีด้วยญานเล่มดีเลิศแล้วคือปารมีแก้วสิบพักการมีหือตานเป็นเกา้า คาราบต่อเต้า อ, อุเบคาจิงปากันมาญาญาตไว้พระใสบาทเยียตานยังพิกขาหาันเข้านำวัตถุพัมตามมีศีลดวงดี้าแปดได้กดแขวะกับตนตัดกังวลเป็นเตือใจไฟเอื้อภาวานาคือปากันมาพร้อมนา นั่งยุ่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาตรอบานี้วาตาติยะติวะเสสัมปะเตดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวไปบัดนี้เดเต ตาตีญาติว่าเสสัมปตเตอันว่าเจ้าปุริธิราชอามาต่างตาตีสัญญาเปล่าร้องไปไข่ห้องเวียงใจว่ากันคนใดองอาจจบฉลาดมีพระญาแก้ปัญหาแตนใดตนเต้ตาไทายบุญเรือง จักพ้าเมืองใหญ่กว้างคือเป็นเจ้าจังเซววยสีเข้าของมีลายหลากจักสั่งวิภาคเสมอกันเสียงกองนั้นมีกองไขจู่ห้องปาราสามมันมาควบไนะขนากองใหญ่ปอยานพระผู้บานเจ้าฟ้านั่งอยู่ท่าหอใน บ่หันไผยสักผู้มากะาอูอาสาวะคานีนาอาจแก่หื้อแจ้งแนหันใสเจ้าหอใจที่ราชร้อนไม่มาดเดือดลายเหตุกำนดหมายว่ะไว้ดารอดไข่เติงมานางกัญญามากเต่านางแม่เจ้าเฮือนหลวงคนปันปวงไพราช ตั้งอามาตคนในต่างมีใจโศกเศร้าเหตุกัวเต้าเจ้าปุรีได้ดับอินทีมวยมากงละเมืองกวาง้างเสียดายมะหอราสบลายบ่พ่อนตั้งแต่ก่อนเดิมมาบัดนี้นาดักปิงสังหิ่งษ์ตั้งเมืองเสียงนั้นเื่องอดเอา จั่คาเจ้าแลงง่ายบัดนี้หายเสียงขาดคนเข้ากาดขายของพ่องเตียวตามกองลายหลากบัดนี้หากบางตาโขงปาราใหญ่กว้างดังจักห่างเสียคนจุ่มรีปนม้วนหมูพ่องซบเศร้าอยู่มองเงาพ่องเกยเมาละสอดบัดนี้จอดเศร้าซา อ, องก็จะหัด้าบอกกลัวตันเต้าใส่ตันดักคำว่าเป็นแต่เจ้าห่อคำกอ ย, ยกใหญ่บ่อตัวไตตามกองเต่ทาทริปองสั้นส่องหานยังจ้องอุบายย้อนใจใหม่ใขรค้าเฮ่เคยลามรณานะ บาปตันตาแต่ละโอหือเคยเก้าโอหกใจเฮือจมน้ำหายเสียงคอดบอเลือรอดคนใดตั้งโยทาในหน่อยใหญ่อันขามใจไฟเฮือกบอเลื่อเคลือนข้างจมน้ำกว้างหายตาบัตนีตาผาญามารอเตียงใดมวยหมดบ่อสงสัย ฮ่อ ง, งก็อกใครกล่าวห้ามว่าอยาจมซามไปลายเยียวจากตายย้อนปากตันจากลากไปฟันฮือดับขันความนาจอมเจ้าฝ่าปาราจุมโยธาหนุ่มเท่าต่างตานเล่าจากใครมีหลายไหนหลายอย่างมีต่างๆนาน้าก็มีหันแลนะนา อาทาโคราจาเมื่อดันพาดยาธิราชสำเรียกนักพาตปรโรโหิตาตั้งเซนาหนุ่มเทามาอยู่เฝ้ารงกันแล้วใครปันเกาวจี้ฮือแจ้งทีขีญยาว่าดุราปันดิตานักพาตตั้งอามาตแก่เมืองโยธาเรื่องน้อยใหญ่ มันมาพร้อมไข่รงกันจุงปเพกษากันพร้อมหน้าอย่าได้จ้าเรียวไ ว, ว้วาเนียสันใดนันไซเราจริงจักได้สดสดีเราหืตีกองเปล่าไปไข่าดาวปาราสามวันมาคบไข่บ่มีไผ่ไตยิงใจเสนาไลาอามาด เรือนักพาดคนใดมาจะใครต่อหน้าว่าข่าอาจกาอาสาแก้ปัญหาแตนเต้าผู้ผับดาวปุรีย้อนข้าหูดีอง์อาจหูฉลาดซับเซียวเรือวันเดียวแต่ใส่ตามเตปป้าไทยกฎหมายเราเตียงตายมวยหมด บ่ได้รอดนานไปเหตุบ่มีไผสักโูจักอัตรูปิดศสนาโบราณจะบอกเล่าแต่ก่อนเก่าโบราณว่าพับดงดานป่าไม้มีไม่น้อยใหญ่หลายพันจักหาไม่จันแสนยากบ่หันสาหันห้อยพับแสนดอยร่อยม่อนมีแต่ก้อนหินผา วแวงหาไข่แล้วบ่มีน่วยแก้วแปลงเมืองคนนั่นเนือ้งอยู่สร้างเต็มเมืองกวางปา ร, ราจักหาคนมีพ้ายานั่นใสหาบ่อใดแดนใดโบรานไข่เก่าแก่หากมันแต่ดีลี พระภูมีเจ้าจ้างใครเกาอ้ า, อางดานายามนั้นปารฮหิตาผู้น้อยลำดับซอยสุดไปก่อนโอมือถ้าวายก้มเก่าว่าข้าแด่เต้าเจ้าเนื้อหัวบัตนี้ตัวขาา้าไทยขึ้นขวาดาในใจว่าควรจักไปเก่าหื้อเคยลาหูตามี สันธารงฤทธิหลายลาเตจะมากนำนาอาจแก้ปัญหาแควบโยได้จูข้อบ่สงสัยเจ้าหอดใจที่ราดแม่นอาคาตือเวนกตาตำเขินบ่ผ่อนแก่เจ้าน้อยอ่อนหลายตีคือคับนี่กาพากออกไปจากปา ร, รา มีอาณาแต่งใจเปืออือหืดใดว่บวายบัดนี้เต้ตากวัวตายลายลากวัวได้ภาคปุรีละนางเตวีกินกูกับตั้งหมู่กันยากันปรโรุหิตาผู้น้อยเก่าเสียงถอยสุดคำเจ้าหอคำยดใหญ่ก่อืึดนไข่หันตันจิงเร็วปันปงขาด คืออ a มา t คนไหนว่าดูรัคุณเตรียมใจผู้แก่นมึงจุงเล่นไปไว้ออกเพียงใจอย่าจะไปบอกเคยลาตนกูถามมันดูคือแน่ว่ามันอาจแก่ปัญหาอันเตวาดาถามไว้ได้บอกใดสันไดแล้วเร็วไวปิกปอก วายนาออกขึ้นมาคุณต่างตาแก่นใจฟังเต้าไทยปงปันก็ไผ่พันรีพาวออกจากดาวปราราเถืองเกหาตูบหน่อยแห่งหนอพระยตดซอยบุญมีอันจุลีก้มเกาใครบอกเล่าขีญยาลำดับมาแต่ตนติดสืบสนถึงปลาย คือตนคำใจบุญใหญ่หูแจ้งไขจูภาคการนอโปตรที่ยานหนุ่มเราจริงตอบเ่ากำไปว่าดูโหราคุณเตรียมใจผู้แก่นตันได้เล่นมาจูเราค้าดิงดูสั้นพอยังบทบาทคอปัญหา เรานีนะอาจแก้ฮือแจงแน่หันใสตั้นจุงไปขับไปบอกเต้าไทยผาปาระวะกกันพาญาเจ้าจางกลัวได้มัง่งบำไวยจักปันหมยฮือคาไปแก่ต่อหน้าแตนตนจุงฮือรีปนอามาตัง้งไพราะยิงใจได้ขง่ควายแต่งสร้าง ยังตางใหญ่กว้างเร็วปั้นแต่ห่อจันเป็นเก้าทราบต่อเต้าเรือนเราปักตุงเสาเป็นท้อยผ้าดับจ่อหน่อยเป็นสายกวยออยยายยศวางตั้งสองปางข้างตั้งไปแล้วนำจางใจตัวผาเสร้อลักขณะเลิศมงกล สังรีปนหลายและมาแวดแห่อาสาเอเรานีนา่นะขี่จ้างตัวเอกอา่างงออนเขานักกไปรอดถึงที่จอดพังกาเปืือแก่ปัญหาแควบย่อจูบาดคอตามมีเปื่อกือเจ้าปูรีที่ราดใดก้อยกัดอันตราย กันบอกคงควายแต่งห้างตามเราอ้างจะใครเราบอกไปเป็นอันขาดตนเต่าที่ราดผู้ทอนก่อจักเมื่อมอนเป็นแก่นบอ่ออาจเล่นพระนีกันหนอมูนียอดซอยก่าวเสียงทอยกำจาขุนต่างตาแกวนใจกอรีบขับไว้อันจุลี แล้วล่ะนี่ปิกปอกไวายนาออกขึ้นมาแล้วทุนสาขับไว้บอกเต้าไทยจูพักการก็มีหันนลยนะอาถรรพ์ราชาเมื่อนั้นญายนตใหญ่แม่นบ่หมักไฟปิญญายังหนอพุทธานยอดซอยผู้เป็นเคยน้อยสุดปลาย แต่งอบายแต่งใจเพื่อืฮอเจ้าใดมารด า, าตามปารฮหิตาผู้เท่าหากบอกเล่าใครปันบัตนี่เจ้าหอจันทีิราชกลัวใดความขาดเมื่อมอนตุกอาวรนเอาไม่ฟังคุณแก่นใจทุนสารดวดมีใจบานจมจืนปีติตื่นนำนา ยิ่งมีอาณาปองขาทืออามาตรีปนตั้งหมู่คนไทยไต่พ้อนาควายยิ่งใจรีบพงควายแต่งสร้างยังตั้งใหญ่กว้างเพียงงามกล้อยอ้อยจำเป็นถอยต่อจุงหอยใหญ่ใหปลูกดอกไม่ลายจุสิ่งย่มงามยิ่งลายสี ขันามีรถเร้าหอมตัวเต้าเอาใจหือคนในน้อยใหญ่ถือคันดอกไม้บุพพาตั้งหลาจ้าเข้าตอกยืนข้างขอกองตั้งให้นำวางตั้งไววหือเบียนไข่เรียวปัน ถึงตาวันคำลาลงลับป่าดงดานก็ฮือนายก้านผู้ฉลาดนำจ้างอาจมงคลตั้งรีปนมากเต้าคนแก่เท า, ายิงใจบ่าวสาวลายมวนมากออกไปจากเวียงใจกันว่าไปรอดแลกก็ฮือเจ้านอแก้วบุญมีกับนางชมสีแว่นฟ้า คือนังดอลาราชจธจิดาผู้มีลักษณะผ่าเสื้อขีดจังเลิดปลายสานมีโยธาหารแวดเฝ้าคนดุมเทายิ่งใจแวดใหญ่้หยหลายแลแล้วก็แห่นำมาจากเกหาตบน้อยถึงพาสาซอยหอจันฮืดดอคุณทัานตนเลิศแล้ว นั่งเหนือแต่นแก้วปั่นลังกาส่วนเต่าผู้บ้านยศใหญ่หายมนไม่มองขีกอไขวาตีตานต่อซึ่งเจ้าน้อยนรอไลยัาการก็มีฮันแลน่า มิมัญะเมสัมปัเตกันมัดทิมาญามะรอเตวดาหยดบุญนาอันขุนอินตายดใหญ่หากแต่งใจตกปั่นก็เร็วปั่นบ่จ้าพาคกตต่อหน้าบัดเดียวแล้วจะเลี้วทำเหล่าบะดูราเต้าเจ้าปารา อันว่าปัญหาแวคบย่อซิบบาดคอความในอัน่าไขบอกเกาเปลือเตาวิสัชจานาคือแกปัญหาเกาจี้ฮือแจงทีตามทมบัดนี้เจ้าห่อคำยศใหญ่แกบ่อใดสันใดจุงรีบไยเกาวฮือเฮาหูตามมี เจ้าปุริธิราชก่อโอกาสไขจาว่าจุ้มปัญหานั่นใสเราแก่บอดได้บทได้สุดวิสัยล่ำหมอกกึดบอกตันพญ า, าจิ่งเอปันดีตานักาพาผูฉลาดจบทองจุเยทารีปองสั้นสองก็บอหันจ้องแนวใหญ่ เจ้าเวียงใจจูผูก็บออาจหูปัญหาบัดนี้นะลูกคาอันเป็นเคยลาคนเดียวมาจะเลีวกาวจี้ว่าหูแจ้งทีปัญหาจักอาสาก่าวแก้เฮแจ้งแน่ตามมีจุงไขาวาตีทาพอตามบาดขอปัญหาบัดนี้แดเตอ ทีน่นันเทวาดาตนวิเศษมาจากเขตสวรรค์ก็ไขรปันทมเลาซึ่งโอพระเจ้าบุญภายวาดูระตนคำใจน้อยนาดผู้ชลาดมีพัญญาตันจุงจา ก, กาวแก่เฮแจ้งแน่ตามกองเอกันนะมามกิ่งมีหนึ่งหาสองบ่ได คือหากใดอันใดจุงจะใครก hay, ่าวจี้หื้อแจ้งทีบัดเดียวเจ้าตาเขียวหยอดซอยก็ตอบถอยกำไปว่าเราจกใขเกาแกหื้อแจ้งแน่ตามกองหนึ่งหาซองบ่อใดขอเตปาไทยฟังดูคือซับปัญญูพระพุทธเจ้า ตนเป็นปิ่นเก่าตีโลกาย่อมเกิดมาในโลกดับทุกโศกภัยมารแห่งสัดสงสารโลกใต้อันห้อนเดือดไหม่เป็นเปีวย่อมเกิดมาองเดียวแต่ใสบ่ห่อนเกิดมาพร้อมไข่สองตนแลยนา สเปสตัตาอาหารัทิฏฐิกาแถมใดยะนิึงเหล่าคนหนุ่มเทานิ่งใจสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันข้างอยู่สงสารมีอาหารเลี้ยงใสจริงอยู่ใดไปนานกันอาหารเสียงขอดย่อมมวยมอดบ่อเลือร้อเลยนะ เอวังวุตเตตวาดาตนวิเศษมาจากเขตเมืองคนกันหนอตสาปนตอนอง์อาจเก่าเสียงขาดสุดปลายมีใจภายจมื่นปีติตื่นส ม, มนัจตาตั้งเทวาดาบุญใหญ่พ่องอยู่ป่าไม้ไพรสนพ่องอยู่บนอากาศ พองรักษาภาษาดหอใจต่างมีใจจืดยาวสาทูสเศร้าเดืองนั้นแล้วปะกันพร้อมไข่าภายดอกไม้บุพพาตกลงมาบากเต้าเพืือปูจาคุณเจ้าหนอมูนีก็มีฮันแลยนะ้า ตาตานันตารังทัดดันไปแถมเล่าเตว่าดาเจ้าบุญนาก็ทมปัญหาติดต่อว่าดุราเจ้าหน่อจ่ายรำตะเวนามากิ่งมีสองหาสามบ่ได้ตั้นเก่าไวาเมือนมา คืออันใดจะจุงแก่หือแจงแน่ตามมีนอมูนีอ่อนน้อยก็ตอบทอยกำงามมามีสองหาสามบ่ได้จุงจือไว้ในใจคือพระอาทิตย์ใสสองแจงไขจุ่แห่งยามวันกับพระจันทร์อยู่ฝ้าทรงทรงสองโลกลาจุมพู คนเล่งดูพอค้อยอใจจื่นจ้อยเอจยบ้านแทมภาการหนึ่งใสตั้นบอกไว้เป็นไมายว่านามันจะรูปัญจะเพื่อหือยิ่งใจหนุ่มเทาหูจักตัวเก่าดีงามสองบ่มีสามมาแทงคือนามกับรูปแห่งคนเราแลยนะ เทวดาฟังแล้วว่าแม่นดังเจ้านอแก้วไข่จาก็พายบุพพาดอกไม้ตกมาใส่สะสนจุมหมูคนน้อยใหญ่อันโยไกลเล็งหันต่างปะกันจื่อสูสาทุกอยู่เนืองนั้นก็มีหันแลยนะ ตาตานันตารังทัดนั้นไปแถมเล่าเตวดาเจ้าบุญมีก็ใครว่าตีทำต่อว่าดูราเจ้าหนอบุญนาอ <c oughs> ันจุงจาเกาจีตีนินามกิ่งสามบอกมีสี่ตัวมาคืออันใดจ้าจุงแกเือแจงแห่เร็วปัน นอคุณทันบุญใหญ่ค า, านิงไข่บัดเดียวก็จะเลี้ยวเกาจี้ว่าสามบ่มีสีตัวมาคือรัตนนาภาเสดแก้วคุณเลิดสามภาการคือพระจินามันปิ่นเก้าพระพุทธเจ้ายอดสจ้ปัญญูตนเป็นครูสอนโลก ดับตุกศกมองขีพระธรรมีกุนใหญ่เป็นตั้งใจสอนใจพระสงศ์สินใส่องแถวปฏิบัติลอตามธรรมจากจูงนำบอกเล่าให้คนหนุ่มเทาหนิงใจได้ผ่านผายไปรอดเพียงเก้่ยยอดเนระานัน ปิโซเวตานาแถมภการหนึ่งใส่หื้อหูไข่ความไหนปันหาไขเก่าจี้สามบ่มีสี่ตัวมาคือสามเวตานาเกต้องในแห่งห้องหอระไทยสุขเวตานาไขเป็นเก้าตุกขเวตานาเล่าเป็นสอง อตุคามาสุขาเวตาะปองติดต่อเป็นสามบาทขอเวตาณลนาะตังสุตวเตวาดาฟังแล้วใจพองแผ้วสมานัาก็ภายบุพพาดอกไม้ตกลงไข่รงกันก็มีหันเลนาะ ตาตานันตารังทัดนันไปแถมเหล่าเทวดาเจ้าเมืองสวรรค์ก่อเร็วปั่นทมต่อว่าดูราเจ้าน่อยนอบุญนาภูมีผญาหยาอาดกาจัตตารินามากิ่งสีบ่มีหาเตรียมตั้นจุงไครปันเ่าจีฮือแจงทีบัดเดียว เจ้าตาเขียวบุญกว้างก็เกาอ้างไข่จาวาา่วาคาแดเทวดาอยู่ฝาซีบอกมีหาเตรียมตันตนานไขปันเกาจี้คือบปาริสุทธะสินสีดีลีสินเจียงจีเจ้าเจ้ามีบากเต้าปันไดสั่งรอมไปทวนทีก็อยู่ในสินตั้งสีเจียงคาน แ h ม m พาการหนึ่งใสจุงฮือไฟใจจำคืออริญาสัตว์จะทำตั้งสี่อันพระกาวกีปันไมยเพื่อหือดิ่งใจจู่พูได้ผ่ำรู้คนดิงได้กันปฏิบัติไปสุดยอดจริงจักได้รอดเนระพานเลยนะ เอวังบุตเตกันหนอพุทธาตนอง์อาจกก่าเสียงขาดกำจาเทวาดาบุนกว้างอยู่เสพสร้างคงสวรรคก่อเรียวปันบอกเราว่าแม่นดังกำเจ้าดีๆแล้วภายดวงดีดอกไม้ลงมาตีไกหนำนากามีหันแลยนะ ตาตานันตารังทัดดันไปแถมเล่าเตวาดาเจ้าบุญนาก็ามปัญหาติด ต, ต่อหลายบทบาทขอความในลำดับไปบ่โนยถึงบทซอยสุดปลายขอตันตั้งลายจูผู้อันมาพร้อมอยู่ฟังทมจุงดาจำจือไว้ ยาฮือใดหายหุ่นยำมีคนไข้หูมากก่าจะทำด้วยกำงามทวนที่จากใดที่จะไขข้าหันใส่ที่แจ้งสุดเสียงแห่งสังกาเลยนะ ฝันจะนามกิ่งมีฮาหาฮกบ่อได้มีอยู่พ้อมไขในตนแห่งจูคขนจู่พูกันตานหูหันใสจุงจะไขก่าวแก่หือแจงแน่บัดเดียวเจ้าก็เรี้วบ่อจ้าว่าปันจุปาตานักขันท้า คือขันหาภาการยังอูป่าตานน้องไวป้ปาหือใอว่าววนบ่าอาจนำตนไปรอดเบียงเก่ยนยอดเนระ ب านแลนะนะชานามากิ่งมีหกหาเจ็ดบ่ได้มีพ้อมไข่นิงใจคือคนตั้งหลายจู่ผู้หากมีอยู่ในตน ตานเป็นคนองอาจจบชาลาพระยาจุงรีบจากาวแค่ว่าได้แกอันใดบอกมาไว้ด่วนสั้นอย่ากึศที่สั้นมืนนานนอโปโหที่นานยอดซอยก่อตอบถอยกำไปว่าชาชัดติกานิาญาตนานี่คืออาญาตนาไปในหกสิ่ง มีพร้อมยิงในตนแห่งจูคนจูภูอันมีชีวิตอยู่เตี่ยดินแลานาสตานามากิ่งมีแต่เจ็ดกฏแคว่บ่มีแปดตัวมาอันได้จ้าหากรู้จุงเก่ามาปัน นอกคุณท่านก่าวแกว่าแม่นพจังคดเจตแต่ดีดีคือสติมีเป็นเก้าทาราบต่อเต้าอุออบเบกขาและนะอัธนามากิ่งมีแปดบอบมีเก้าตันบอกเล่าไรปันว่าเป็นตังภายพันเตียวไตเฮือป้อนโศกไม่เครื่องกา คืออันใดจาจุงจีือแจงทีตามมีนอมูนียอดซอยก่อตอบทอยตามรายว่าทังกิโกมะโกคือมะ ก, กะไมยกดแขวดมีองค์กะแปดพาการเป็นตังเจียงคานเลิศแล้วป่าไปรอดเวียงแก้วเรียวปันแลยนะ นาวานมามกิ่งมีเก่าหาสิบบ่อใดตั้นก่าวไว้เหมือนมาอันใดจาจุงจีฮือแจ้งทีบัดเดียวเ <c oughs> จ้าตาเขียวหนุ่มเนาวนอพระเจ้าบุญนาก็ใครจาโอกาสว่าสัตตาวาสาคือสัตตวัดเก่าพักการ อันเป็นสถ า, านที่อยู่แห่งจุมม้มโมสัตตาแต่มนุษย์จาเป็นเก้าทะราบต่อเต้ามหาพรหมและนะตาสนามากิงมีสิบห้าสิบเอ็ดบอใดตันบ่กไว้เป็นทระราอันใดจ้าจุงก่าให้รู้ข่าวตามธรรม เจ้าบุนดำน้อยดอจิงต้านต่อใรขคานว่าตาสซะปะละญาณานิคือตสะผลลญาณภาเสดมาบังเกิดจอมกันเป็นพร ะ, ระหันเลิดแล้วได้รอดเวียงแก้วนิราพานันและนาะ เอวังบุตเตกั น, น่อขุนธรรมตนองอาจกาวเสียงขาดสุดปลายเตวาดาภาัยดอกไม้ตกลงใสาสาสนจุ่มรีปนหนุ่มเทานักพ่าเจ้าอาจารย์ตั้งเต้าผู้บ้านยศใหญ่หายหมุนไม่มองขี พี่ตีมีจื่นย า, า, าวสาทูเสาเดืองนั้นต่างปะกันขับไปยังเจ้าหนอไทยบุญมีครวาตีต่อทอยยน่อคุณเจ้านัดน้อยน า, นา ส่วนเทาวาดาตนวิเศษมาจากเขตเมืองสวรรค์กันนอขุนทัาตนอง์อาจกล่าวเสียงขาดปัญหาก็ไขวาจาลืมเล่าย่อคุณเจ้าบุญมีแล้วละดีขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองบนก็มีวันนั้นแลยนะ เน่ตังขีณาสังวันน า, นาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแต่คำผูกสิบเอ็ดกอบังคงสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล